แล้วก็ขอธือโอกาสแต่พระเทรันเถระตลอดทั้งเพื่อนสาธารผู้มีความตั้งใจญาติโยมผู้มีความฝักใฝในธรรมก็อก็ทำให้สบายสบายเนาะขอใส่ภาษาเจ้าของ ภาษาพอภาษาแม่อปุญญาตายาย่มันก๋นจังสีมีความถนัดถนีเนาะว่าภาษาอันนั้นมันก๋าเป็นภาษาอื่นก๋เป็นคนไทยขึ้กันนั่นละ่ะแต่ว่าก๋าเป็นภาษาทองทิน่นอพูมิลําเนาแต่ละภาษาไปทั้งท้งเนือไปเจาะกระบกภาษาเนือมันนังมนันแนง ไปทำเมืองเล่ท้าน ก, าก็ บ, บอกภาษาเลยลงไปทำปะไตทันจัดกฤษณ์กับนันก็มาพ้อกันกพระกันลงไต่กันยัง ง, า ง, า ง, างบาเนี้พกเขาคนอีสานมีความเห็นมีความหูมีความป่อยใจภาษาเจ้าของก็รู้สึกว่าเป็นภาษาที่มีความเหมาะสม เป็นภาษาที่เบ า, าง่ายเข้าใจง่ายเป็นภาษาทางทินมีสํำนักวิจัยเขาวิจัยออกมาว่าคนอีสานเฮานี่เกิดจะลืมภาษาเฉของแล้วบอกสอนลูกลูกอพ่อแม่ก็ออกลูกมาใหม่ๆนี่ใม่ก็ออกภาษากลางบังกลางกำมันกลางกับวัพท์ปนนี้กลางกะกลางกร ะ, ะเทิน สังกะสังกระเทินกสังกะเทินทักษังทังอีสานมันก็เลยจังใดแล้วกสังกะบวกสางแษะที่จริงแล้วภาษาทองทินภาษาในห่อหาอกว่าข้นที่จะรักษาอนุรักษ์ไวบางในบ้างก็เป็นส่วนที่ดีอเป็นสิ่งที่ดีที่การคงไว้ให้ลูกให้หลานเรื่องภาษากลางภาษานัในสื่อเมื่อเข้าไปสู่ในระบบโรงเรียนอเขาก็มีการซ้อนกันนี้แล้วล่ะ มีการสอนมีการพูดกันจา ก, การนิกันอยู่พอสมควรเป็นภาษาประจำชาติประจำในคนเข้าใจภาษาทองถิมมนะาข้างมาคณะขณะที่จะมีความอนุรักษ์ในบางอนุรักษ์ของเกา่าอนุรักษ์ของสิ่งที่มันเป็นมรดกตกทอดมาจากพอจากแม่ไหวนีไห ว, ไ ว, ไ ว, ไวก็เป็นส่วนที่หนึ่งที่ดีการพะเลาะแพลนกันมากการไม่ใช่ว่า ฟังแล้วก็รู้สึกมันกินไแต่ภาษาภาษาเขียนกับภาษาว่าไม่แต่บ้านมือบ้านต่างๆนี่ต่างๆอเขาับเขียนที่จรคงเขทั้งเหมือนเขาเขาว่าภาษาเขาเป็นคำเมืองคขามีของขยับเขียนเป็นคำเมืองแะไรกัเป็นคำปากลาเขาจได้เห็นกตัะเขาในดัดดัดแท้งโอดมันก็ลดไปทั้งหมดแล้วมือเอียังเป็นเอกกราคุ้มจะคลองเพราะฉะนั้นก็ขอใส่ภาษาแบบลุกทงหลุกทงเนาะภาษาพื้นบ้านฟังใดกับฟังฟังบ่อยกับ เสื่อเหล่ากรบภาการ บ, บัญญกับสำรวจ ก, กันไปคนนี้เพราะฉะนั้นเมืม่นอนี่กเป็นวันที่สิบผ่าจนวันที่จะต้องอำลาพระจากเริ่มการเริ่มงานมาตั้งแต่วันที่สิบก็ไม่ได้มองเห็นสพะพานความเปล่นยูความเป็นจริงที่พระสุราจารเป็นเลยมาตลอดทั้งยากโยมโดยมีความตั้งใจในมา รวมกันในการแสดงพลังแห่งความความเพียรความสามัคคีในระหว่างโมคณะของพวกเขานี่พวกเข้าได้มารวมกันในรวมกันในการสั่งเป็นการสร้างภาพพจนเป็นการสั่งมิติใหม่ในส่วนหนึ่งที่กพวกเข้าได้ผู้ได้เห็นคือว่ากับ เป้าหมายใหญ่สําคัญคือเข้ากะต้องการที่อยากจะมารวมพลังในการติเจาแสดงออกถึงความหลักความเคารพกับหลวงพ่อเทียนหลวงปู่เทียนที่เป็นเดชไห่แนวทางให้ใ่แสงสว่างให้ดวงตากับพวกเข้าในพวกเข้าบางคนกัดเดืยดวงตาใหญ่แน่บางคนกัดเดืยดวงตาหน่อยแน่บางคนกักําลังมายุ่งมายิ่งกลังสิ้นตาหินกันนี่อนันต์กาธิวาพวกเขาก็ได้อยมแสดงออก แะเดียงก็ในการคา้นเคารพในในแนวทางของหลวงพ่อที่เพิ่นเดใส่ที่เพิ่นดว่างเอาไว้นี่ก็ข้เรีมาประพฤติปฏิบัติตามแ่จริงแล้วธรรมะนี่มันกลา่เม็นธรรมะของหลวงทิยันเป็นธรรมะ ข, ของพระพุทธเ จ, จ้ามาโดหลายหลายปีหลายพันปีมาแล้วแต่ว่าหลวงเทิยันนเป็นครูเพิ่พนเดนมาแก้ไขเทคนิคบางสิบางอย่างที่จะเป็นการซื้อซื้อข้อหมาย ไอ้พวกเขาได้ตรงได้เข้าไปทิงตรงจิดตร ง, ตรงปรเป้าหมายที่เป็นที่หลักของศาสน า, า, า, ามีความตั้งใจเอาไว้หนีไว้เพราะฉะนั้นทึงเขาจะมาแสดงอพลังเสน่ี์กับขออนุโมทา น, นาในฐานในธา น, นาที่เป็นขาเจ้าว่าให้เป็นเจ้าสํานักสันต์ว่าเจ้าสํานักวัดเจ้าสํานักว่าทานน่านไรจะอาว่าแต่บางคนก็นจะมา เจ้าอารวาสมันกะเขาเป็นเจ้าสนักขาเนาะกาเป็นาจอารวาดนี่ก็อารวาสอิลิก็ปลกไม่ออกนตนปลวกต่างๆูดีมาในากันเทปถืประทังแนี่ยกอารวาสอิลมันกะเป็นนาทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรมาับผิดชอบในโมคณะกับคิดว่าคุบาอาจารย์เป็นศิลีมามักม่หดเน้นตลอดทั้งยาดั้ง่มกิมาบเรมาบกคิดว่าสิมากม่เป็นขนาดนี้ มัน ก, นการุษยามีความมีความยืดซื่ออยู่มหน่อยมะลายกระไดเนาอ ะ, อะทีิว่าดีใจกระไดดีใจหัวมันแหล ะ, ะที่ว่าเสียใจกระไเสียใจยกที่เสียใจมา ใ, ให้นั้ mm hmm. นคำว่ามันยูดซื่อปกติดีอยู่มะหน่อยกระตามหนมะลายก็ตามกระที่ว่าพกเข้าในมาแสดงพลังส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องอจำมาไว้ ว่าพวกเขาได้มาร่วมกันงานนี้ไซกับตามนี้กับตามถ้าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับหลวงอเจี้ยนพวกเขาก็มีความผ่อมเพลียงกันมีกันในวีการแสดงออกอ่าแสดงออกในด้านการปฏิบัติแสดงออกในด้านการกระทําให้มากขึ้นนี้มากขึ้นช่วงงานกับบางคํบาัคนะบางสิ่งบางอย่างนก็อาจจะมีความขาดตกบกพร่องบางนอย่างก็ต้องขอภห้เพราะว่าคนจํานวนมากม่มาอยู่ร่วมกัน มันกะมีปัญหาขึ้นมาบางในบางกะที่ว่าเป็นสิ่งที่ปกติธรรมดาแต่ถี่ว่าเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องผิดปกติบาว่าอยู่ไซต์บาว่าในชุมชนใดกับตามในกับตามบางเว่าอยู่ ใ, ววในชุนชนน ม, นนมน ช, นชนของมนุษย์หรือของสัตว์ปีไรฉานต่างๆนี่ต่างกันมาอยู่ร่วมกันมีกันและกันรสึกมันกะมีบางสิ่งบางอย่างนี้บางอันบางแนวที่มีความชิดหรือความอันอาจจะามาตรงแนวกันมีกันมันกะมีส่วนใดขึ้นกันเพราะฉะนั้นว่าพวกเขากระตังมีความ นักแน่นมีความอดทนมีความเป็นตัวของตัวเองบ้างนี้บ้างการเข้าไปวันไว้ไปตามกับอารมณ์ไปตามกับกระแสกระแสเรียบอนกระแสของสังคมกระแสสิ่งต่างๆนี่ต่างรู้สึกมันกิเป็นลักษณะของไม้ลักปักชีเล่นมืนเป็นลักษณะของไม้รักปักชีเล่นมันกับรู้สึกมันแหลดจะไปสีโยกไปสิกล้วยไปสีเย็นไปทั้งใดไปสียำไปทั้งใดนี่ทั้งใดมันก็เลยปักบดได้เป็นบดได้เห้นเป็นเสาหลักเสาซีเมน ที่มีความหมัมน่นคงมีความนักแน่นที่มีแรงลมแรงกรต่นสิ่งไดนต่างๆกระต่านมีกระตามก็มีท่ามนักแน่นเดียวกันอันนั้นอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเลยมากเพราะฉะนั้นว่าแน ว, า ท, นวนาทางการปฏิบัติที่พวกพุาธมาร่วมงานกันเดินตามร้อยหลวงพ่เทียนที่พระพุทธด้ปราศจากขินมาในขินมาเนี่ก็ถือว่าทุกคนก็หุ่จักแนวทางการปฏิบัติทุกคนก็หุ่จักแนวทางในการกระทําของหลงพ่อเทียม ผมเองคนนึ่งเรือธมาเองคนนึงที่เคยอยู่น้ำพนอยู่กับอยู่ไกิดพอสมควรในสมควรในการอยู่กับพนีนกับพนในตออยู่ในวัดโมกปีสองพันห้ารอยี่สิบสามยสิบสี่อานั่นก็อยู่รวมกันก็มีพระตอนนั้นมีพระิชุหนุ่มกันหลายองค์ที่หลอดม้าในม้าสมัยนั้นก็เป็นในจานสมซักเป็นในจานน้าตาน้ากัน อ่านอาจารย์สมศักดตาลาพะละลายรูกมีลายลูกตากระลตหลอดเข่งเนาะหลอดเงหลอดตะคร่ออกมาอันนี้สาหรับพระพุทธสนุ่มสมัยนั่นเน๊ะหลอดเข่งหลอดตะคร่มากกะรู้สึกว่ามียุชานีนอกนั่นกะถือคือหลวงพ่อบัญญัติปัญญาถือเข้าบ่วงข้องข้อรับตาเข่เบ่วงเข้าไปนี่ไปกะลายล ลายหลุดไปองค์ลายไปเพราะถูกข้องข้อแล้วกัเมื่อตายขึ้นมากก็เห็นแล้วก็ดินย่อกยเอกย่อกอเออเอาดินก็ดินไปก็เหลีย อ, อยู่แชเกือบขันจําำผิดนะขันจาผิดแล้วก็แล้วไปเนะะาะแชสองถูกสมัยนั้นมีพาดีสูงนึงสมัยนั้นสมัยนี้เท่าแล้วเนาะแกแล้วหนวดกั ง, งอกเข้ากับข่าวแล้วผมกั ง, งอกหัวกระลา น, นอันนั้นมันก็เป็นตามวัย เป็นตามวัยของสังขารสมัยนั้นหรือความศรัทธาของกระพรมหรือของัตมามันมองเห็นองคะเทียนมันนึกถึเป็นผู้ทีเป็นล่องตาเป็นล่องตาที่เรียบเป็นล่องตาที่ง่ายเป็นล่องตาที่เบาสบายเป็นล่องตาที่มีความคล่องตัวการกระทันการยืนเดินนั่งนอนอิริยาบทต่างๆนั้นเขาคนมันนึกถึงกัน มันมามันเสแสงแกล่งกระทํ่บำมันเรี้ยงเสแสงแกล่งกระทํามอันนั้นเป็นส่วนมึกส่วนภายในของเพลินรีบท่างๆที่เป็นเห็ุเพลินทำาพลินมานี่ยเพลินมาในโซมันมันเป็นสิ่งประทับใจเป็นสิ่งเกียประทับใจมากนี่มาในข้าที่มองที่ห้ามมองที่เขาเห็นเพลินับจิริยาสมัยนั้นปีนั้นในึซร์มันมีเพลนกับที่ว่ามีโอกาสที่ว่ามีโอกาสไปใกลชิดเพลินในท่านสาแร่เลยไปอยู่กุฏีเดียวกับเพนเนี่กเพน อนอนอยู่ก็พลนอุปธรรมปฐาก็เพลินการ อ, า ป, ฏอรนนรปฏิบัติเป็นตัวของคนน่ะไม่ต้องรู้สึกปฏิบัติโดยสม่เสมอดีดีอยู่จังไดลักษณะใ ด, ใดปเป็นมีลักษณะใดมีความลเรียรเอยมีความลเรียดง่ายง่ายปฏิบัติกันปฏิบัติโดนตรงกรมไม่ได้เฮ็ดอย่างขึ้กันสมัยหนึ่งแต่ยุ่ก็เพลินเพลินกะเฮ็ดอยู่ตลอดนี่ตลอดแม้ที่ลัดที่นอน ผ่ามุงกดมุงอยง่างต่างต่างเสื้อสะอาดอาสนะท่ปูนังปูนอนเวลาลุกกระลุกเป็นกนเจ็บเจ็บนีไปมันเจ็บกระตุบกั บ, ก บ, กบต่าเจ็บปวสติสัพยัญญาอิเห็ตุเเงียบกิด น, น, นอนเนื้อนอนเนืเดียวกันนอนหวังเดียวกันคางคงกันนี่นคากุฏิเดียวกันสมไมนั่นกุฏิบางนี่มันเป็นกุฏิยอดพื้นสูงเป็กุฏิใหม่ประตูกบประ ต, ตูสอประตูแต่เปิดประตูเดียวนอนอยู่กระเพินีนกระเพ เพนเจ็บศาสตรเจ็บหมอนเจ็บเสื้อเจ็บศาสตร์อาสนะเจ็บมุงกดมุงอย่างเรียบร้อยเด็กปน้มตีสามตีสามคนตีสองตีสามตีสามคนบั่งทีสองครื่องบั่งลุกขึ้นหน้าเจ็บเก็บรลอยเดินจงกรมมองสังเกตผมก็สังเกตมองโอ้เราพอหนีลุกยันไดเปิดประตูเยันใดถอดก่อนยันใดนียันใดอ่า สังเกตเห็นอะไรสิก็เป็นผู้ทธิยางกับเบาตีนกับเบาลักษณะที่แบบนี้คัามกระจุกกระตับเห็นไหมรู้สึกว่าโอ้ผู้ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะผู้ประกอบไปด้วยความรู้สึกขุมัวนี่รู้สึกแค่ยังทาอย่างรู้สึกมันมันเป็นการเบากายเบาใจเบาที่ไปเมดแบบนี้กระจุกกระตับแบบนี้กระตุกตระตาไปม็ดอันนี้ที่นี่เมื่อมองเขามองจุดนี้เปรียบเทีย บ, ยบกับการกระทำของพวกเขากัานี้ บางท่านมาคณะมันลุกลี่ลุกล้นเกินไปมีเกินไปหาลองเทียกับรู้สึกว่ามันลุกลี่ลุกล้นเฮฟยังทํานยังรู้สึกกระตุ๊บกับตาเพชรยังทํานยังมาข้ามาคณะรู้สึกเหมอกับเออเบ่งเบล้วหาลองเทียคนตุนขึ้นมานอนอยู่น้ากันในนกันยิงตัวเขามาอยู่รวมกันในนํากันตุนขึ้นมาบางคนก็แสดงอาการต่างๆเฮฟยังต่างๆเพื่อต้องการในข้ออื่นเขาพูดจากเรื่อของตุนตุนขึ้นมาในขึ้นมาแต่ลักษณะเราประเทศไม่เป็นลักษณะนั้นผู้ใดตุลก็ตืุนไป ผู้วชผู walk walk, walk, walk walk. ้หยักผู้ไปหยักลูกแต่ล่าแตรนี่แต่เนดิเงียบย่างออกมัดขอดก่อนปักออกไปเมียไปแล้วก็ไล้มไเดินจนกลมมือมืงบ้าเิ็นจิ้นเงขนาดใดลวก็เช็ดนี่ไปจนก็เลยตาวาสีลุกก่อนเพลนลุกก่อนเพลนออก็เดินจนกลมก่อนเพลนประมาณตีสามตีสองตีสองเยอะกว่าตีสามนี่แหละก็เลยเจ็บศาสตร์เจ็บซัวเจ็บกดมือกดพับเขยี่ยวไ คอยพ no yeah. ันไฟก็เปิดเลยไฟมเปิดคอยหมวนเสื่อหมวนเสื่อคอยคอยเหยียดคอยคอยเหยียบกานี่เหยียบพอสมควรล่ะพอเียบพอสมควรกันเจ็บเจ็บจะทเยอะน่อยแหละซึ่มาถอดกอนประตูวันถอดก่อนประตูน่ะรู้สึกว่าประตูนั่นถอดแล้วถอดแล้วแต่ว่าเนรับใบถอดเอาไว้เนับใบนี่มาใบคือเก่าค่อยๆย่องออกมานี่มานยากออกมาก เห็นมาเดินเห็นขพ้อนมาเดินจนผมกำลังกาลังเถ่ากังแตบแทบแทบยกข้างล่างโอ้ตัดท้อผูพนิสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกคุมัวรู้สึกกระไตสั่นสะท้อนไตยางมาใสไตใสมาใสรู้สึกกระันเบาเบาไตลดขวนญคาราว่าแสแดงความโกรธเขาเขาลดเขาลดในสิธีของคนอื่นคนอื่นคนกำลังสิรัตสิมน หากันเข้าไปดแสดงอาการต่างๆเป็นการรบกว น, นของข้าเจา้าข้าเจ้ารู้สึกเหมือนกับนั่นก็ใครๆมามองไปเห็นเจ้าของอยากเห็นอยากพูดเหมือนกันมีท่านมีสีสันสีข้นเป็นเซี่ยวกันมีกันอ่าที่ไปตกลงกันมาไปนนางธรรมชาติทีอยู่กลางป่าและกลางในป่ายู่ังวัดนั่นแหละนึกรประสา นั่งสมาธิตกลงขอตกลงกันเอาไว้ว่าบ่บ่ให้พูดบ่ให้คุยบ่้พูดจาต่อกันมีต่อกัรเอ่อบันดังเอ า, าไปตะเกียงสมัยนั้นกที่ตอนปปนี้ไปตาอานนี้ไปป่าเทีนี่จะไปตะเกียงไปตัง้งไว้แล้วก็นั่งทาสมาธิแจงกันซีคอนด่งไปเด็กดึนเที่ยงขึ้นปละรู้สึว่าตะเกียงบ่หนึงกรลื้ตนตาจะมาบังเดกเด็กวันที่ หาทุ่มหกทุ่มตีหนึ ihi, ่งตีสองเล่นปลาสิมากฤติยศก็ไปเกียงมาท้งมมันห so ิมหิ้มหิ้ม้มมากนี่ยมากฤต้ยศก็ไปเห็นจังไหมันอ่สิสัดแย่หาบุมีฟืนมีไฟหาหี้อย่างสับสาลาชิงพันมากฤยศน้ับบุมีฟืนมีไฟไลยไปเห็นหนึ่งอาตีต่ำอาตีชนบุกต้นมากอาตีต่ำอาตีนห้าใหนีได้เ็จังไหนเนาะก็พอดีมีโอมคนนึงก็ไปหากินเนมาขึ้นหากินเนมาขึ้นเขาก็เลยกลับมากลับมาพรานิทานมาท่านนี้คนแรกนั่น ก็มีความเจตนาดีบอกว่าพอผานมาไกลๆมี ค, ค, คุ้นคุ้นคุ้นขอร้องนันเนื่อไร้องเถนะเห็นว่าขอนื้อมันขอน้้ามันใสไปเกี่ยงเห็เนไหมมาันมาเดี๋ยวมันพิมอดเถอกันว่าร้อแค่นั้นแ่ะเขาก็เจบกล่ะคนที่สองเหรอเอ้ก็ตกลงกันแล้วเป็นยังงั้ือมาว่าพูดขึ้นมาเฮ็ดอย่างเฮ็ดอย่างออเอกแค่นี้คนที่สองแวคนที่สามนั่นที่ เลากันแด้ว่วยยุ่ผู้จะคุ้มกันนะเล่ากันแด้ว่อยู่ในกติกาเหมือนะเิมอหนึ่งสองคำอนี้สามคำผลิมาสามคำสี่คำผลิมาไอคนที่สามแนีคนที่สี่ตกถงตึ้งอหนึ่งเพียผมผีไปหมดอยู่ในกติกานล้วกวนมูอหนีกวนมือผมเจงกวนมือหัวกันอันนี้มันก็เป็นลัคนาท่วาจักมันผู้ใดเป็นไผจักผู้ใดพ่อไผไแต่ตนกแปกแฝะกันเนาะ แต่ว <mile> ่าผู้ที่แสดงออกอยากเห็นว่าเจ้าของเป็นผู้สงบอยากแข็งจะเห็นคนอื่นเน่ยคนอื่นเราจะต้เป็นผู้ปฏิบัติอแสดงออกที่ผมทีเป็นผู้ปฏิบัติเงียบขี้ตระการปโหวน้ำมือเนี่ยขั้นม่ปากจะคือมาปากขั้นมเว่าก็คือมาว่าอันนั่นมันแสดงว่าแสดงออกถึงความความภายในของเจ้าของนั่นหรือสิว่าอยากแสดงออกแต่เรากระโดดสมัครกคุ้มอารมณ์กดคุ้มความรู้สึกของเจ้าของในทั้งทั้งที่เป็นความดีนั่นแหละ มันเป็นวามดีหนึ่งแหละที่จยาแสดงออกแต่ว่ามันกะต้องกบคุมอารมณ์กบคุมความรู้สึกของเจ้าของอะไรใดเราก็เทย่วนีคือกันพนดีมี้อข้อหปี้เนียงเจ้าของบ่นี่การแสดงอาการต่างต่างต่างออกมาเมื่อเที่ยงเราเรารู้สึกว่าโอ้ยแม้จะเป็นป่วยอยู่ในโรงพยาบาลสมอยู่กรุงเทพปีสองันหรอยยี่สิบเก้ายี่สิบแปดี2สิบเก้าสามสิบเนี่รู้สึกว่าโอ้ ไปแล้วเห็นแล้วไปอยู่กับคนอยู่ไนแล้วแม้แต่อยู่ในห้องสบายก็เป็นคนที่ง่ายเป็นพาลงตาที่ง่ายง่ายนี่ง่ายบกจุก็บกระยุงยุงยิ้มกรยิมกระจิกกระกอย่างต่างทั้งม่งเรียกรออยางทั้งเมอกกบอกซื้อคบอกเเขาไปเุเพากับว่เป็นยังเป็นมือหนึ่งอยู่โรงพยาบาบชิละไปนอนอยู่โรงพยาบาลยังไม่ห้องพิเศษนอนไตกระพนชูกระพน่อกระพนกับวันอาทิตย์สองอาทิตย์กกว บางในทั้งวัดสนามไม่เป็นกาต้องการที่อยากจะมาเตือนให้มาต้นตีเมื่อยในเสาปูข้นไก่จริงๆก็แล้ววเม่อกว่าคสาข้นไ่ปนอนบนมือขนไข่ทื่ซื้อแล้วพนกานอนเทากันอนแล้วนอนตื่นขึ้นมาแต่การดสังเกตหงคนหนึ่งนหนึ่งนั่นรู้สว่ากรผมนะกระผมนั่นรู้สว่าความรู้สึกเหตอย่างทาอย่างตอกแตกน่สึกกันมีความตูนไว้ดูด้วยกันหูมือไว้ดสังเกตเคนมีควานต้องการอย่างเหุอย่างช่นแี่นั่น ล้มตาเพิ่มขนาดเปื่อยหันอาบน้มเนี่ยมือเศ้าเนี่ยมือแรงอาบน้ำมําต้นน้าอาบต้นน้าให้อาบไปให้อาบามาผสมกับตนน้ำเพราของนน้าเย็นในการไปอาบอาบอยู่ตลอดเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพอนามัยของเนาเปนคือเป็นเล่นรักษาขางคนอี่ตลอดหรือว่าเป่อยขนาดไหขนาดใดก็ตามอาบน้ำอาบทาล่างจนล่างตัวสักต่สักคนสัก้าสักนี่ไม่รว่ากาิษักเป็นการว่าักแบบสักให้คนเองชวนนุ่งหนื่อรูอซีกว่า ความสะอาดร่างกายของคนนี้ต้องเป็นผ่าจีบองจีวอนรู้สึกว่ามีความสะอาดสะอาดร่างกายของคนกับมีความเอยเห็นแล้วนี่แล้วมันรู้สึกว่าพิษกันหลายกับลุงตาที่เคยเห็นมาหานังเชียก์แมานหนาหนาวลุงตาบางที่บางท่นบางองค์ก็ซ้ำเหมือนหรือเจ็บเหมือนอาบน้าที่นึงกับนี่อบ่าเบาๆลุงตาหลับไว้ท่านนึงกับกันเราจะผรมขึ้นกันบางเท้ากับชีคันอาบกับผ้อาบขึ้กันน่ะ นั่นผูดเดน้เดียวยังสิบเหตุยังยืดอาบมัยังกระจีเดียนี่สบายสบายอันี่คนี่หันมันก็เกิดินมาอยู่้กันอันนี้ท่านนี้ก็ปฏิบัติเปนปฏิบัติตัวคนมีสม่ำเสมอมาตลอดมีตลอดที่นี่นนั้นพระสิมาเปลียนก็เลยคบก็เลยคมก็เลยกัดเขา่ขาไปวัดกับไปวัดช่วงเศร้าไปกาลัางสีซักขาซักคนเสอผขาอาคอนต้องการอสักอะไรไอ้ชัางค่ายจีวอนเสืยขาวันนี้เนาะ กับเยวันกีวันตากตากเขาปันแห่งละ่ะพระก็เลยกลับไปเฮ้ยกลับไปโอ้ยถูกหลวงพ่อไล่ตะเพิดมาแล้วท่นานว่าอยู่ไม่ได้นี่ไม่ได้นะพ่อรู้สึกว่าโอ้ดุลึกเกินนี้ไม่เกินอยู่ได้ยากลึกเกินอลไรกันา่าไปทําอะไรให้ท่านอ่ะไม่รู้อ่ะทำอะไรก็ไม่ถูกใจหมดท่นานว่าทำอะไรอะไรก็ไม่ผิดใจไม่ถูกใจกับท่านหมดเลยท่านไล่ตะเพิดมาเลยลท่านอยู่ยังไงกันม า, าที่จริงแนีแ่ยเเชื่อเพื่อเป็นคนที่มักจู่จีจุกจิก ว่าคนมาชนหรือคนมาคจีจุกจิกแยังทำยังกะให้เบิ้งห้จัทั้งเจดมีแก่ทั้งกาเบิ้งมีเบิ้งไม่ใช่ห้าอยู่หันไมกันนะคนยหันนันคือว่านั่งนอนเป็นนอนแล้ก็นอนนนอนเป็นขานหลับเขาก็นอนพเป็นตืนแล้วก็นุ๊กลูกเบิงนีเบิงเปนมีเป็นอาการขมวดมันเป็นเพิ่นไข่เปรี้ยเป็นคนไข่เปรี้ยวเป็นไปเป็นมือเพิ่นซื้อนี่ซื้อนั้นกันนาที่ของหมอในของหมออันนี้บางคนมันคือว่าโอหลวงพ่ออย่าเอาอันนั้นเลยหลวงพ่อเอาอันนี้มาหลวงพ่อทำมันนี้่อ ทำอย่างนั้นเลยพ่อทำอย่างนี้ไม่เลยพ่อมันแย่ไม่เลียเปนกระตับเพือินีนีนีนแต่พเข้าไจกระตับมีอยู่สิบเกก็ดู ง, ง, ง, ง, ง, ง่ายๆสบายสบายอันนี้เป็นเงส่วนตัวของกระผมนี่คปนที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับคนกระนแล้วก็ความศรัทธาจากแล้วระเทียงศรัทธาในักในของรูปแบบของการผูพ้พันเนผู้บรนไห เห็ น, น, หน่าน้สุก็เป็นบุคคลที่โอ้ยบางลับเย็นตาเย็นใจอยู่ใจชิดกับเพิ่นนี่ก็เพิ่นไม่ตะนดัดไม่แกเพิ่นเปียระช่วงระยะเพิ่นเจ็บเพิ่นเปียเพินเพ่นไข่ไข่เพิ่นกนรู้สึกกับเ้งแปลว่าความศรัทธาในส่วนในท่าน้ธรรมะของเพิ่นนี่ของเพิ่นอันนั้นเป็นักษณะส่วนศรัทธาในเอจจิยวัตรของคนนี่ของเพิ่นเชื่อศรัทธาในธรรมะของเพิ่นเป็นนงตาเป็นนอู้นงตาทาั้งทงที่ร่วมสมัยยุคสมัยของค่นนี้ของเพิ่นเน้สุกกะแต เป็นอย่างพระหลวงตาขนาดนี้สิ่งต่างๆสิ่งงมงายต่างๆมนุษย์จะเพิ่นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเพิ่นนี่ของเพิ่นการเปลี่ยนแปลงของเพิ่นก็แล้วไม่ย้อนคิดถึงข้างพุทธเจ้าคือกันสมัยขาราพุทธเจ้าหลวงพุทธเจ้าเจ้าชายิทธัตถันเกิดยุทธธรรมกางของความภาวะปวัฒนธรรมต่างๆเมืองอ่า ง, อางของที่ปุญญาตายายที่พระธรรมเทศกันมากเลยกันมา บูชาหยากบูชายั่นเห็ดยังท่านยังนิสัยเฮ็ดมาตลอดในตลอ ด, ตลอดแต่เมื่อผู้ดีเจ้าเมื่อออกจากบ้านจากเพือนแวกม่านให้ความเป็นไปในหัมแหวกม่านความซื่อต่างๆอยู่ต่างออกมาโกรนผมนุงกี่วงกี่ว้อนผ่ากี่วงผ่าทั้งนี่คือมาออกมาถือกระโปรงถือกะลาเดนินขอท่านกินกัดไปมีกันไปทั้งทั้งที่เป็นกษัตริย์การเปลี่ยนแปลงของคนมนุษย์เราเป็นการเปลี่ยนแปลงทางยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนนี้ของคนมากที่สุด เป็ี่ยนแปลงไปเพื่อเห็นน้องเห็นสริงเรานั้นมันเป็นสิ่งที่ง่ายเป็นสิ่งที่ไร้สาระไร้ประโยชน์ไม่มีแกนสาันวิที่จะทำให้ชีวิตของเราตกรถ อ, ออกจากออกจากทุกสิ่งเ่านั้นได้เพราะงั้นเราไม่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมีรูปเปลี่ยนแปลงที่ว่าเปลี่ยนแปล ง, งหาจุดหาเป้าหมายหาสิ่งที่สำคัญหาสิ่งที่จะเป็นที่หยุดเบี่ยงเท่านั้นชีวิตจิตใจผมกับผมเลยบอกว่าพระพุทธเจ้านำพิจิตนักปฏิวัติ เป็นยอดนักปฏิวัติมากที่สุดในที่สุดเกินกว่ามันเออคเกินกมนุษย์ทั้งหลายนี่ทั้งหลายเกินกว่าทีาดทั้งหลายพราะอย่างพอวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นเห็ุเป็นทัน้งกันมาสมายัยก่อนใก่อนอาจจะแต่เมืองอินเดียก็รู้ๆกันกนีแหละว่าเป็นเมืองลับทีเจ้าลับ ท, ท, ต ท, ต ท, บบทีต่างๆนึงต่า ง, งาทั้งเมดวัฒนธรรมแบบนี้การบุญสวงบูชายันริงต่างๆนึนต่างบูบูเบิกบูย่าชิงต่างๆนึต่างไม่รูกว่าเป็นมากยูังไงเหตอยู่แล่ะทั้หมดแต่พวกก็ได้เจ้าแวกออกมา แหวกสิ่มาลนนออกมากเนยมากจนจนพ่อแม่เจ้าพอเจ้าจสุดท้อทรมานจนว่าโอ้ไปแลนี้แล้วแหวกออกมานียมากจนชาว บ, บ้านเขาได้ย้มหลับนี่ย้ำหลับอันนี้คือกัน่ะแล้วก็เชี่ยนเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นปน้องตาร่วมสมัยเป็นน้องตาที่เป็นอยังนั้นจึงสามารถที่จะความงมงายสิ่งเล่นนั่นออกไปได้อันนี้คือซสิ่งหนึ่งที่สะบัดใจ เป็นสิ่งลินที่สะดุดใจกับนน่ก็เป็นว่าเออมองเห็นแล้วมีทิศแล้วทำแล้วรู้สึกว่าแม้แต่สิงต่างๆวัฒนธรรมต่างๆก็คนมกันกระถิ่มจะเิ่มกันมองออยากให้มองอะไยากซีจุดมันในห้าเห็นว่าไอ้สิ่งลานั้นเมื่อเข้าก็ไปยึดถือกัสิ่งลนั้นสิ่งละนั้นรู้สึกมันกระพรอบำจิตแก่เข้าต่คันเขาโดดคันเขาออกมาจากสิ่งลนั้นเปิดอากง่ายเข้าง่ายท้องความหมองมาใม้เามองเห็นสิ่งลนั้นเกิดเมารู้สึกว่าอืมสภาพสภาวะจิตใจองเข้ากระเบาโดย แล้วก็เช่นานอบอกว่าคนแบบมี้ม่อยู่หลายระดับคนมันนี้อยู่นี้อยู่หลายระดับนีระดับเหมือ er นกับเข่าเข่านั้นรู้สึกมันเข่าสาไอเข่าเปลือกเข่าสารเหมนนนะเข่าเปลือกเข่าสารแล้วก็เข่าซุกแปลว่าคนนี้จะต้องกินเข่าสุกไม่ได mm. ้กินเข่าเปลือกและไม่ได้กินเข่าสารอันนี้คนเปรียบเทียบว่าคนนี้ชัดเจนแต่ทิมกับทีมไม่ได้เข่าเปลือก พระว่าคันทิมกัเปียกกับแบนี้แบบน่าพันที่จะไปพอพันขยายพันออกไปเนี่ยอไปวัฒนธรรมกลางนี่จะมีกิณนันกับมีแต่เราเข้าบทแต่ยุติแต่เราพยายามที่จะชี้บอกชี้บอกให้ให้ผู้ที่ปฏิบัติประปฏิบัติตามเนี่ยให้หู้เห็นใาใจกษินันเป็ามันชี้บอกให้เขาคอยจขอไปยึดไปถือเขาไปเื่อเขาไปูกพันกษิณนันเอาชินั้นมาเป็นองค์ประกอบเอาชินนมาเป็นสิ่งที่จะครอบงำจิตใจของขาทั้งบาแมน ผู้จากสิ่งนั้นูจากสมุดสิ่งนั้นถอนจนออกมาจากสมุดสิ่ง้นนั้นเอเป็นลักษณะนี้เป็นเป็นลักษณะนีก็จะว่าเออส่วนใหญ่นันรู้สึกว่าการทำเห็ดทำอย่างเห็ดอย่างทำอย่างรสึกว่าเป็นการผูกมัดผูกขันพันถึงตนาการไม่ได้การปฏิบัติไม่แต่คือเงกูว่าอาจารย์ต้ง่ข้างหัณะกัสอนให้ติดบางข้าัณะกติดให้ค่อยๆู้ให้ลูกศิษย์ลูกค้าติดกูบาอาจารย์กันไต่เงกันไตเห็ดเรื่องไตท่านลไ แต่ทั้งๆที่มนก็บอกว่าว่าให้ติดตละแต่วา่าสมุดสื่อกันขเข้ามาติดแต่บางครั้งลึกๆ อ, อาจารย์ก็ยังมีความพุ่นใจในลักษณะที่มีลูกศิษย์ลูกค้ามากม้หมากหนาลายตามีความพุ่นใจเราจะขอมีบารมีอ่สามารถเรียบลองศรัทธาจากลูกศิษย์ลูกค้าได้มีได้อันนั้นมันก็นยังมันห็นติดอยู่ช่นั่นอยู่โดยด้วยกา ร, การหน า, าด้เกินเดินโดยไปเดินไปหนาหนีไปหนามาหลังจักหน่อยนี่ยิ่งแล้วยิ่งที้มองกราพัดกระพัดพลันกระเทือนมัน เป็นสภาพที่ว่าโอ้ไปใส่มาใส่อย่างไรไปใส่มาใส่นี่เบาสบายสบายเครื่องใหม่เครื่องนี้เลออะสิ่งต่างๆเขาเป็นยามกเ็นใส่บาดศัทาทั้งข้าสักอูทังข้าอย่างนี้พัดดีๆอมป่อมน้อยๆใส่ยางมือน้างพายตั้งๆตั้งๆไปยางนี่ปุ๊พร้อมบอกว่าไปคนเรเตรียมพร้อมล่เตรียมพร้อมยุตตลอดมียตตลอดเป็นการเป็นเป็นการไปไปลักษณะที่มีความเบามีควานโอ้เห็นแล้วแบโ้ ขนาดผู้เถ่าผู้จ้าผู้เถ่าผู้โ ถ, ถขนาดนี้เืองงมงายของคนนีของคนยิ ง, งเราคนเราคนเราว่ามันแม้จะมีบ้านมีโฮมบักเอาใหม่มาบักเป็นทาบปิมลูกเสียบผูกข้อเด็กน่อยเงยแกข่าขบ้านนี่ขาบ้านชาวบ้านก็แตกตืน่นบักเงี้ยนี่บักเงีย้ยบักโตบักโม้ค้ณบอกว่าโอ้ตาย แ, แล้วลงเชื่อมสเป็นคนทีจหนนี่จะไหนเป็ใ น, ในพาลลษณเป็ น, นพาเข้ามาหนมนิไป น, นี่ไปชุดนั่นให้กันเพื่นเห็ุเพือต้องการที่จะเอาข้อมูลสิของชาวบ้านมาเขาแก่ทมีข้อมูลสิกลักษณะใด มื่อมองเห็นหน้ว่าเออข้าเจ้ามันติดติดยึดถือในสิ่งนัหนี้เท่านันสิแก้ไขวิธีการแบบใดใดเฮ็ดจังไดมันไม่สิแก้ไขดเฮ็ดจ้ามันไม่สิทำใดนี่ไดสมาี่จะดึงความรู้สึกของเจ้าออกจากไอ้สิ่งนอหนี้เกิดผูกพันพันาการท่านั้นจิตใจของเจ้าของได้ดีขนาดนั้นพราชาันนักปฏิบัติทำก่อนเขาทำนี้กันเฮ็ดีกันกระทัาทำเรต่อลแต่ใดมีความผูกพันมีความเฮ็ดอย่างท่านอย่างไร้ซึ่งญาแต่มันติจารณแต่มันถึกมสิบางอย่างมันเลยกลายเป็นว่ามันมันเลยกลายเป็นว่าส่วนทัน พระกูได้เจ้าเพราะยันติถึงพราะยันติออกมาจากซีนอนนั่นแต่พวกเขาพยายามทีผัดกันเขาไปใน่ีนอนนั้นสู่ระบบซงนอนนันขอบนั้นก็สิงอันเยะตลอดเพราฉะนการกระท่างมันนะาเมื่อเขาเข้าใจซีนอนนี้อะไรแต่เราเขากันทลายแต่ก็ต้องมีความมีหลักมีเกณฑ์ของเจ้าของในการปฏิบัติกระทันนีสิ่นี้หลักมีเกณฑ์นี้หลักมีเป้าหมายของเขากาเหวีปฏิบัติเพื่ออย่างเขต้องการที่จะปลดปล่อยปดตะป อ่าปล่อยชีดของเจ้าของให้มันออกจากเครื่องพัฒนา ก, การในชิ้นงานออกไปเนี่ยไปเพรามันเนี้ยปฏิบัติเพื่อให้เจ้าของอยู่ได้แต้อำนาจของชิงน้นานนั้นก็นน้มาหลวงพ่เชียเ่ยนกับบุคคที่ม้นจะญาติโยมคนบอกทำไมเคยคกับญาติโยมหลายคนด้วกันบอกว่าเออหลวงพเชียมม่ยนนี่ซึ่เป็นคนที่ทำไมอะ แม้จะเรื่องเครื่องรางของขังเรื่องกระตุกมันยังเรื่องคาถาคาถาเรื่องอะไรสิ่งต่างๆนรื่อต่างทํางมท่านไม่ไม่สิดยึดกับสิ่งเหล่านี้ทั้งที่เป็นพระที่แจกเป็นพระที่แจกเป็นพระที่มีความมีอายุมีลุ่นแล้วข้านี้หรือสิ่งเป็นคนที่มียึดหมั่นถือหมั่นในสิ่งในขณะทันเนื่องแบบนี้ต่างๆนี้ต่างๆมากนี้มากแกเพื่อนเกี่ยวกสมรรถแวกออกมาใดออกแหกออกมาอยู่ในขางี้ใดนี่ได้อันนั้นคือเป็นจุดเด่นจุดหนึ่ง หรือเรยืนคำมาหรือคำเบาของคนเป็นอากาดกิจวัตรของคนในการเบาการแสดงคำ น, นี้มันเป็นคําเบาที่เฉียบขาดเป็นคําบอกที่คมจีบมาเป็นคําบอกที่นี้พลังเป็นคําพูดที่นี้พลังหรือพลังในการในการที่จะจูงในการที่จะบอกด้วยการที่จะชักชวนให้คนไปปฏิบัติเลื่อนหมู่เข้าใจสัมผัสกับธรรมะสิ่งนั้นอันนี้มันมั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเอกลักษณ์ของคนนี้ของคนเพราะงั้การที่จะเดินตามเล่าของกระเพื่อมมาข้างมาคณะ แนี่มันเข้ารู้สึกมันกิมีคัามหว่อนเนี่ยนขันแค้นมันทำแบันมันไม่มีคัามมันคงม่มีความหนักแน่นในหลักการปฏิบัติทางเข้าแต่ทวีติเกวียนกลัวแต่พ้นไม่ได้ยานก็ลยกลัวผู้ที่มีสติมีปัญญาเพิ่งจะเห็นเพิ่งจะมองเห็นผู้ที่ไม่มีสติมีปัญญาเพิ่งจะมองเห็นผู้ที่ไม่มีสติมีปัญญาระดับหนึ่งมันกลายาเขาเกลือสเข้าสารในระดับหนึ่งเขาจะกัมองเออเขาเอาชิ้นว่้นอีกเป็นสิ่งที่อ่าล่าห้อมเขาจะมีเามากเว่าได้แม่นแห้งกจ่างง่าย มันเทินให้เขาเจาเงินง่าวยัมันเให้เขาเจลงไลกัสซิ่งเรานเพราะฉะนั้นนะไอสิ่งเรานี่ยหื่งว่า